ท่านไปทำอะไรท่านไปนั่งคิดนั่งเจา้านั่งเหงานั่งลำพึงลาพันอท่านจะไปทำไมในเมื่อท่านจะไปลาพึงลาพันอย่างนั้นท่านไปสวแวงหาอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธนะิ์ฐาเนี่ยท่านไปค้นคว้าศึกษาถึงหกปีจนถึงวันเดือนหกเพนเไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้ไปว่า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 มีแต่นาความทุกข์เข้ามาหาจิตใจแต่ความสุขก็จริงอยู่เขาสุขเข้ามานิดหน่อยแต่ความสุขความทุกข์มาหาศาลที่จะต้องประสบพบเห็นแก่เจ็บตายในที่สุดมันจะสุขไหมจุดนั้น่ะเพราะนั้นเราคิดไปทําไมจากนั้นพระองค์ก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าท่านไม่ให้ไม่ให้ใจเคิดท่านไม่ให้มันใจเคิดน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 ให้ hey, หาว่ า, เ, าเราเขามาบวชในพุทธศาสนามาศึกษาเรื่องอะไรนะมาศึกษาเรื่องตัวผู้รู้คือใจตาเอาชนะใจไปแล้วเนี่ยจะเป็นถึงจะไปเป็นฆรวาดแล้วจะไปทำงานอะไรก็ตามมีอะไรเราก็นึกคิดขึ้นมาสู่ใจใจของเราใจของเรารู้เรื่องเบลจใจมีเบลใจมีคันเร่งใจมีพวงมาลัยเราจะทำอะไรก็ทำทาได้เพราะอะไร ทำมันขี้เกียจขี้เกียจเพื่ออะไรทําไมาขี้เกียจเราจะทํางานอย่างนี้ไปทํางานเพื่ออะไรหมุนพวงมาลัย ไ, ไปในทางที่ถูกต้องอันนี้มันไม่ถูกนะวะเบ ร, รกเบ ร, รกเบ ร, รกตัวเองอย่าทําอย่าพูดนะในสิ่งนี้มันไม่ถูกนะเอสิ่งเหล่านี้นอยากจะให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะ อ, อไม่ใช่ว่าทําอะไรเหมือนมวยเ อ, อเหมือนแต่ใจไม่ไม่มีมวยเ อ, อนักเลงไม่มีมวยเป็นนักเลงมีแต่ใจ